นวมังอังคุริมารปริตังยะโตหังภะคินิอริยายะชาติยาชาตโนนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตเตนัสจเจนโสติเตโหตุโสติกาภะจาน